ไม่ปลอบก็เหมือนปลอบในัญษาที่สองอาตมาป่วยด้วยโรคไข้รากษาร์ใหญ่ไข้ขึ้นสูงมากจนต้องเข้ารับการรักษาที่ตึกสงของโรงพยาบาลในเมืองอุบลเมื่อ30ปีที่แล้ว จังหวัดอุบลราชธานีอย่างล้าหลังและยากจนมากขณะที่นอนอ่อนเพลียรับน้งเกลืออยู่อาตมาสังเกตเห็นบรุษพยาบาลออกเวรตอนหโมงเยน็นครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้ที่ควรจะมาสับเปลี่ยนก็ยังมาไม่ถึงอาตมาจึงถามพระบนเตียงถัดไปว่าเราควรแจ้งใครดีไม่ว่า บุรุษพยาบาลผลัดกลางคืนยังไม่มาท่านตอบทันทีว่าไม่มาเพราะไม่เคยมีหากเราเกิดอาการซุดตอนกลางคืนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราเองลำพังการป่วยหนักก็แย่อยู่แล้วหากบัดนี้ อาตมายังมีอาการหวาดกลัวแถมเข้ามาด้วยตลอดสอาทิตย์ถัดมาทุกๆเช้าและบ่ายบุรุษพยาบาลตัวล่ำบึกจะเข้ามาฉีดยาแก้อักเสบที่สะโพกของอาตมาโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัดซึ่งมีงบประมาณน้อยมากเข็มฉีดยา จึงต้องหมุนเวียนใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทู่แสนทู่บุรุษพยาบาลผู้มีแขนแข็งปึ๊ด น, นี้ยังต้องออกแรงอย่างหนักเพื่อจะทิ่มเข็มลงไปในเนื้อถึงเขาจะคิดกันว่าพระต้องอดทนเก่งแต่สะโพกของอาตมานะ่ไม่ไหวแล้วมันเจ็บสุดเลยในเวลานั้นอาตมารู้สึก เกียดบุรุษพยาบาลคนนั้นจับใจอาตมารู้สึกทุกข์ทรมานอ่อนเพลียและไม่เคยรู้สึกแย่เท่านี้มาก่อนในชีวิตจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งหลวงพ่อชาได้มาที่ตึกสงเพื่อมาเยี่ยมอาตมาท่านมาเยี่ยมอาตมา อาตมารู้สึกปลื้มและประทับใจมากจนตัวลอยอาตมารู้สึกดีมากๆจนกระทั่งหลวงพ่อเอ่ยปากขึ้นสิ่งที่ท่านพูดนั้นซึ่งอาตมาได้รู้ในภายหลังว่าท่านพูดกับพระอาพาธมาหลายองค์แล้วท่านบอกอาตมาไม่หายก็ตายว่าแล้วท่านก็กลับไป ความอิ่มอกอิ่มใจของอาตมาแต่กระเจิงความปิติยินดีที่ท่านมาเยี่ยมอันตรฐานไปสิ้นแต่ว่าเราจะว่าท่านก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นสัจธรรมโดยแท้ถ้าอาตมาไม่หายอาตมาก็ตายไม่ว่าจะเป็นทางไหนความทุกข์ทรมานจะไม่คงอยู่ตลอดไป แปลกเหมือนกันที่คำพูดอย่างนี้สามารถปลอบใจเราได้ดีและอาตมา ก, ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นและสุดท้ายอาตมา ก, ก็หายไม่ตายหลวงพ่อจะเหมือนครูที่ลำเลิศนะัก